วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพระเป็นวันประเสศฐศเพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสจ แต่ความประเสริฐของวันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นวันศุกร์หรือเป็นวันขึ้นสิบห้าค้าวันพระจันทร์เต็มดวงแต่อย่างใดความประเสริฐของวันพระคือจะมีการสร้างพระกันนั่นเองวันพระนี้เรียกว่าเป็นเป็นวันสร้างพระพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธบริษัทรสร้างกันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปบางต่างๆวัดวดสดุต่างๆพระทองคาพระหินอ่อนพระหยกพระมรกตล่านี้ไม่ใช่เป็นพระที่พทะเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกัน พระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างขึ้นสร้างกันก็คือพระอริยะบุคคลพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามีอยู่ศระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันระดับที่สองเรียกว่า พระสะกิดาคามีระดับที่สามเรียกว่าพระอนาคามีและระดับที่สี่เรียกว่าพระอาหารหันต์นี่คือพระที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันในวันพระนี่เองวันพระจึงวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันพระกันเพราะว่า จะมีการมาสร้างพระกันแต่ไม่ใช่เป็นพระทางวัตถุแต่เป็นพระทางจิตใจของพวกเราทุกคนซึ่งตอนนี้จิตใจของพวกเรายังเป็นปุตุชนอยู่แต่เราสามารถที่จะปั้นใจของพวกเราจากการเป็นปุตุชน ให้กลายเป็นพระ อ, อริยบุคคลได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาคำสอนต่างๆวิธีการสร้างพระในพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้จักวิธีสร้างแล้วเราก็นำเอาไป ปฏิบัติกันเอาไปสร้างกันสร้างกันด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการปฏิบัติก็จะมีการปรากฏขึ้นของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ตามกำลังตามขั้นตอนของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นเอง นี่แหละคือความความหมายของวันพระก็คือให้เรามาสร้างพระกันให้เราหยุดสร้างเงินสร้างทองกัน mm hmm. เงินทองนี้มีไว้พอกินพออยู่ก็พอแล้ว mm hmm. ตายไปก็เอาไปไม่ได้ mm hmm. ถ้ามัวแต่สร้างเงินสร้างทองไม่มาสร้างพระกัน mm hmm. เวลาตายไป อาจจะเอาใจที่เป็นปุตุชนหรือเ็วกว่าปุตุชนไปก็ได้เ mm hmm. พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงกำหนดวันพระขึ้นมาวันพระเพื่อให้พุทธบริษัทได้หยุดภารกิจการงานในการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเวลา มาสร้างพระกันบ้างเพราะถ้าเราไม่หยุดทำงานหาเงินหาทองมัวแต่หาเงินหาทองนี้เราจะบอกว่าเราไม่มีเวลาที่เราจะมาวัดกันไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาไม่ปฏิบัติทำกันพระพุทธเจ้าก็เลยการข้อแก้ตัวนี้ด้วยการกำหนดวันพระขึ้นมาอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะว่าทำงานก็ไม่ได้ทำทั้งเจ็ดวันทำงานก็ทำแค่ห้าวันเท่านั้นเองห้าวันก็หาเงินมาหาเงินหาทองอีกสองวันก็เอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองกันมันก็เลยไม่ได้มาทำอะไรให้กับจิตใจเลยไม่ได้มาทำไม่ได้มาสร้างพระให้กับจิตใจไม่ได้มาสร้างจิตใจให้เป็นพระกัน เพราะไม่มีวันพระกันไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะมาสร้างพระกันนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยต้องสั่งให้พุทธบริษัทนี้หยุดทำงานหนึ่งวันแล้วก็เอาวันหยุดทำงานนี้มาสร้างพระกันเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่าที่จะดีเท่ากับ การสร้างพระทางจิตใจเพราะการได้เป็นพระอริยบุคคล น, นี้จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราสามารถซื้อจากเงินทองต่างๆได้แต่ให้เรามีเงินกองทองเงินทองกองเท่าภูเขาเราก็จะไม่สามารถซื้อความสุขของพระอริยบุคคลได้ ความสุขของพระ อ, อริยบุคคล น, นี้เงินทองซื้อไม่ได้ต้องใช้การศึกษาใช้การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะทำให้สร้างพระ อ, อริยบุคคลขึ้นมาได้พวกเราทุกคนนี้อย่าใบน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนด้อยวาสนา ไม่มีทางที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลหรอกก็ขอให้เรามองถึงพระอริยบุคคลทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยบุคคลท่านก็เป็นผูุ้ชนเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแล้วก็อาจจะมีความคิดเหมือนกับพวกเราคิดกันว่าโอ้ยเราไม่มีวาสนาหรอกเราไม่มีปัญญาที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้น แต่พอได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสาุกของพระพุทธเจ้าก็ดีพอได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมาจะเกิดความเชื่อว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้แล้วแล้วใครจะเป็นได้แล้ ว, ลวก็ ถ้าเราพวกเราไม่สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้พระพุทธเจ้าจะเสียเวลามาสอนมาสอนธรรมะให้กับพวกเราทำไมพระพระอริยสงสารวกก็ต้องไม่มีเกิดขึ้นมาได้เพราะพระอริยสงสาวกทุกลูกก็เป็นปุถุชนทั้งนั้นก่อนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ mm hmm. เหมือนกับการไปศึกษาทางโลก mm hmm. ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเราอาจจะคิดว่าโอ้ยจะไปเป็นหมอเป็นวิศวกร mm hmm. เป็นนายพลเป็นอะไรนี่มันไม่ใช่วิสัยของพวกเรา mm hmm. แต่พวกที่เขาเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นนายพลเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยคนตอนก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่พอเขาเข้าโรงเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลไปเข้าไปเรียนอนุบาลเรียนชั้นประถมจากประถมก็ขึ้นมัธยมอยากมัธยมก็ขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาสู่ระดับปริญญาต่างๆ ในที่สุดเขาก็จบปริญญาตรีโทเอกกันได้เป็นวิศวกรกันได้เป็นแพทย์กันได้เป็นนายพลกันเพราะว่าของเหล่านี้มันอยู่ในวิสัยของทุกๆคนขอให้มีโอกาสนละขอให้ได้มีความเพียรพยายามเท่านั้นขอให้เรามีความเพียรพยายามมีความปรารถนาอันแรงกล้า ถ้าเรามีความปรารถนาอยากจะเป็นพระอาริยบุคคลเป็นต้นมันก็จะเป็นตัวเร่งด่วนให้เรามีความเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เป็นพระอาริยบุคคลกันเนื้อพอเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นพระอาริยบุคคลกันอย่างแน่นอน เพราะนี่คือวิธีของผู้ที่ได้เป็นพระอริยบุคคลกันผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระอริยบุคคลเลย <c oughs> ก็เกิดมาเป็นปุถุชนเหมือนพวกเราอยู่นี่แหละแต่เมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเกิดวิริยะความเพียรความขยันเหมืนเพียงที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอน พอมีการศึกษามีการปฏิบัติด้วยความเพียรแล้วมรรคผลผนิพพานการบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนทางโลกถ้ามีการเรียนอย่างไม่มีการหยุดยัง้งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปจบระดับปริญญาอย่างแน่นอนนอกจากว่าไม่เรียนเท่านั้น ไปเกเรไปหนีเที่ยวหนีโรงเรียนหนีเที่ยวกันหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนไม่ทําการบ้านเวลาเรียนก็สอบตกถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียนไม่จบแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันทําหน้าที่ของตนไปโรงเรียนทุกวันไม่หนีโรงเรียนเข้าห้องเรียนทุกครั้งตั้งใจฟังครูอาจารย์สอน กลับมาก็ทำการบ้านดูหนังสือเพิ่มเติมทาอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวพอเวลาสอบก็สอบได้สอบแล้วก็ขึ้นชั้นต่อไปขึ้นไปทุกเท่ะชั้นเท่าชั้นในที่สุดก็ถึงชั้นสูงสุดได้อยู่ที่เนี่ยความปรารถนาที่อยากจะเรียนที่อยากจะได้ปริญญา แล้วก็เกิดจากความขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนที่จะทำการบ้านที่จะสอบให้ผ่านให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของพวกเราทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราเป็นเดรัจฉานนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าเราเป็นพวกด้อยวาสนาถ้าเราเป็นหมาเป็นแมวอย่างนี้ เราก็ควรจะพูดได้ว่ า, เ, าเรามันด้อยวาสนาเพราะหมาแมวนี้ฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่สามารถที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติทําได้แต่พวกเราไม่ใช่เป็นหมาเป็นแมวกันพวกเราเป็นมนุษย์กันพวกเรามีความสามารถที่จะศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีความสามารถที่จะปฏิบัต ตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นพวกเราไม่ได้เป็นพวกที่ด้อยวาสนาพวกเรานี้ถือว่ามีวาสนามากการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากมากถ้าไม่มีวาสนานี้จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะอาจจะเกิดมาเป็นสุนัขมาอยู่ในวัดก็ได้อย่างสุนัขที่เราเห็นในวัดนี่เขาก็เป็นพวกที่ด้อยวาสนา เพราะเขาไม่ได้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราพวกเรานี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แล้วถือว่ามีวาสนามากเพราะมนุษย์จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้จึงปรากฏมีพระอริยบุคคลขั้นต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่วันแรกของการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวันแรกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมก็สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาขั้นที่หนึ่งคนหนึ่งคนคือพระอัญญาโกนทัญญะ หลังจากที่ทรงแสดงธรรมขั้นสูงให้กับพระปัญจวคีผู้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักศึกษาระดับสูงเพราะได้เรียนระดับต่ำมาแล้วพอมาถึงระดับสูงนี้เพียงแต่สอนเพียงครั้งสองครั้งก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลได้แล้ว มีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันมาตั้งแต่วันวันแรกของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการบรรลุมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมาอย่างต่อเนื่องแทบจะเรียกว่าทุกวันก็ได้นยุคสมัยที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงแสดงธรรมวนันสีรอบด้วยกัน มีผู้ฟังทมเป็นจำนวนมากฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกันแล้วก็บรรลุธรรมกันแล้วพอบรรลุแล้วก็มาทาหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเอาธรรมมันประเส ร, ริฐนี้ไปเผยไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้เพิ่มขึ้นได้อีกเพราะลำพังพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวก็สอนได้ใน ในกำลังของคนคนเดียวแต่พอมีพระอาริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนก็เลยทำให้มีการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนไปอย่างไปอย่างกว้างขวางทำให้มีผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง พอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้รู้ว่าตนเองนี้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลมีวาสนาเพราะไม่ได้เป็นเดราาัจฉานถ้าเป็นพวกเดรัจฉานนี่น่าสงสารเขาอย่างดินกับช้างที่มาอุปถาพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาของพระพุทธเจ้าก็เลยมาอุปถานับใช้พระพุทธเจ้า แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนจากพระพุทธเจ้าได้เพราะเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์ที่ลึกซึ้งภาษาแบบหยาบหยาบนี้เขาเข้าใจได้ภาษามือภาษากิริยานี้พอเข้าใจได้แต่ให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนอันละเอียดนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ พวกนี้แหละเป็นพวกที่ด้อยวาสนาแต่พวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ไม่ด้อยวาสนาจะด้อยวาสนาก็อยู่ตรงที่เราไปวาตัวเราเองด้อยวาสนาทั้งนี้แล้วก็ไปปิดกั้นทางสู่การเป็นพระอริยบุคคลถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นผู้ด้อยวาสนามันก็จะทำให้เราไม่ขวนขวายเออเราไม่มีวาสนาเหมือนทางโลก เราไม่มีวาสนาที่จะจบปริญญาได้พอคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือกันเมื่อไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเวลาสอบก็สอบตกสอบตกมันก็ไม่ไม่สามารถขึ้นไปชั้นชั้นสูงสงได้อันนี้มันเกิดจากการความคิดที่ไม่ถูกของตนเองไปคิดว่าตนเองด้อยวาสนาไปคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ ที่จะเรียนจบปริญญาได้เราอย่าไปคิดแบบนั้นเราต้องคิดว่าพระ อ, อริยบุคคลท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็มีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเราแต่ท่านก็มีศรัทธามีความเชื่อและก็มีความปรารถนา มีความยินดีต่อการเป็นพระอริยบุคคลพอท่านมีความยินดีมีฉันทะสิ่งที่ตามมาก็จะคือความเพียรวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะตามมาถ้าเรามีสี่อย่างนี้แล้วไม่ว่าเราจะเรียนในทางโลกหรือเรียนในทางทนในทางธรรมนี้ ย่อมสําเร็จได้อย่างแน่นอนขั้นแรกนี้ต้องมีตัวตัวที่หนึ่งคือฉันทะความยินดีความปรารถนาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลกถ้าเรามีความยินดีมีความปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลมันก็จะทำให้เรามี วิริยะคือความเพียรตามมาความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะเล่าเรียนหนังสือที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีจิตตะจะมีจิตใจที่แน่วแน่แ น, แน่วแน่ต่อการศึกษาเล่าเรียนจะไม่ทะเลทลายไปทำภารกิจอย่างอื่นแล้วก็มีวิมังสามีความคิดไข้ควรถึงการศึกษาการปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจะไม่ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นให้เสียเวลาขอขั้นต้นนี้ขอให้มีฉันทะก่อนฉันทะนี้แปลว่าความยินดีที่เราจะสร้างใจของเราให้เป็นพระอริยบุคคลหรือถ้าในทางโลกความยินดีที่จะไปเป็น เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นนายพลเป็นต้นถ้ามีความยินดีแล้วความขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะเรียนให้ไปถึงขั้นนั้นมันก็จะเกิดขึ้นตามมาวิริยะก็ตามมาจิตตะความตั้งความแน่วแน่ต่อต่อความปรารถนาวิมังษาความคิดที่จะคิดให้เราไปให้ถึงถึงดวงดาวให้ได้มันก็จะตามมา น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาพวกเราไม่ไมด้วาาสนามีวาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องการต่อจากการมีวาสนาก็คือเราต้องมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนี้คือความยินดียินดีที่จะเป็นพระอริยบุคคลหรือในทางโลกก็ยินดีที่จะเป็นในคน ยินดีที่จะเป็นวิศวกรยินดีที่จะเป็นแพทย์เพราะเรารู้ว่าการเป็นนายพลเป็นวิศวกรเป็นแพทย์นี้มันสบาย น, นั่นเองทางานสบายไม่ต้องแบกหามเหมือนกับคนที่ไม่มีไม่ได้จบการศึกษามามคนที่ไม่จบการศึกษาก็ต้องใช้แรงงานของตนเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพ ต้องไปรับจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละสามร้อยแต่ถ้าไปเป็นแพทย์นี่วันละสามพันหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเป็นนายพลเป็นวิศวกรทำงานสบายใช้สมองไม่ต้องใช้แรงกายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเราถ้าเราเห็นว่าโอ้เป็นนายแพทย์ดีเป็นวิศวกรดี พราะเราจะสบายหาเงินได้สบายมันก็จะทำให้เรามีความปรารถนาหรือมีฉันทะนี่มีความยินดีที่อยากจะไปเรียนให้เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นนายพลกันก็ไปสอบแข่งขันกันเนี่ยช่วงนี้กำลังสอบแข่งเข้าเอ็นท้านกันเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ผลนะพวกที่เข้าไปสอบนี้เขาก็เพราะว่าเขามีฉันทะมีไฟ มีความยินดีมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันนี้ในทางธรรมก็เช่นเดียวกันพวกเราก็ต้องมีความยินดีในการที่จะเป็นพระอริยบุคคลและการที่เราจะมีความยินดีเราก็ต้องรู้ว่าการเป็นพระอริยบุคคลนี้ได้อะไร คำว่าอริยบุคคลนี้มันไม่มีความหมายมันคำว่าโสดาบันสกีาคามีอนาคามีอรหันนี้มันไม่มีความหมายถ้าเราไม่เข้าใจว่าการได้เป็นนั้นจะได้อะไรบ้างการได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี้ก็คือการจะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองความสุขที่เรียวกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง เป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้เป็นเศรษฐีเป็นพระเป็นนายแพทย์เป็นนายพลเป็นวิศวกรหรือเป็นแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์ก็ตามเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกความสุขที่ได้จากการเป็นบุคคลเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เพราะความสุขของพระอริยบุคคลนี้มันสุขมากกว่า แล้วก็ยั่งยืนกว่าความสุขทางโลกความสุขจากการเป็น น, น, านายพลในนายกเป็นพระราชามาหากษัตริย์หรือเป็นอะไรก็ตามเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วอย่างมากก็สุขไปจนวันตายท่านเอง พอถึงวันตายแล้วความสุขที่ได้จากการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลงแต่ความสุขจากการได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายเพราะว่าความสุขของพระอริยบุคคลนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจได้เป็นพระอริยบุคคล พอได้เป็นพระลิขิตบุคคลแล้วก็ไม่ไม่มีวันเสื่อมลงมาไม่มีวันหมดพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นกุตุชนอีกต่อไปมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นเพราะความสุขของพระโสดาบันนี้ยังไม่เต็มร้อยยังมีอีกสามขั้นที่ต้องเติมให้ให้เต็มร้อยจากโสดาบันก็จะปฏิบัติต่อไป ปฏิบัติศึกษาต่อไปก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สองสกิดาคามีความสุขก็จะเพิ่มขึ้นอีกขั้นที่สามก็เพิ่มขึ้นอีกจนถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์ก็จะได้ความสุขเต็มร้อยแล้วก็ในทางกลับกันความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจในขณะที่เป็นปุถุชนนี้ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ขั้นพระโสดาบันนี้ก็ลดความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่ง uh huh. พระสกิราคามีก็ลดลงไปกระดับหนึ่งพระอนาคามีก็ลดลงไปกระดับหนึ่งพอถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์นี้ความทุกข์ไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ภายในใจนี้จะไม่มีอีกต่อไปกับพระอาหารหันต์กับพระอริยะ บ, บุคคลสามขั้นนี้ยังมีอยู่บ้าง แต่ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับความทุกข์ของปุถุชนอย่างพวกเราความทุกข์ของพระอริยบุคคลนี้มีอยู่แต่ไม่สาหัสเหมือนกับความทุกข์ทางของของปุถุชนแล้วก็ท่านก็จะมีธรรมะวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆดนในที่สุดความทุกข์ที่หลงเหลืออยู่ในใจก็จะสิ้นสุดลง เมื่อได้บรรลุถึงขั้นที่สูงสุดคือขั้นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการเป็นพระอราิยบุคคลคือเราจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความสุขเต็มร้อยแล้วก็กำจัดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุดเนี่ยพอถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอรหันต์ความสุขก็จะเรียกว่าปรมังสุขขังคือเป็นความสุขเต็มร้อย ไม่สามารถที่จะเติมเพิ่มมากไปกว่านี้ได้ถ้าเป็นแก้วน้ำก็น้ำเต็มแก้วจะเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่มากไปกว่านั้นมันก็จะล้นออกมาแล้วมันก็จะยั่งยืนถาวรไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปใจที่มีความสุขเป็นเปี่ยมนี้ก็ยังมีความสุขต่อไป แล้วความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะหมดไปรวมถึงความทุกข์ที่เกิดจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันก็จะสิ้นสุดลงใจที่ได้ความสุกระดับพรหาหันนี้ก็จะอยู่ที่ภาพนิพพานแทนอยู่ที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ถ้าเป็นพระโสดาบานันนี้ยังต้องกลับมาเกิดแต่ไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวพระโสดาบันนี้เจ็ดอย่างมากก็เจ็ดครั้งส่วนขั้นที่สามพระนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่แล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพานตามลาดับต่อไป นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราได้ได้ได้เป็นพระอริยบุคคลว่ามันเลิศมันวิเศษเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อมาเหมือนอย่างความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องอาศัยเงินทองคนเราจึงบ้าหาเงินกัน ก็คิดว่าเมื่อมีเงินแล้วจะได้ซื้อความสุขต่างๆได้แต่มันก็เป็นความสุขแบบจุดพลุนี่องพอไปซื้ออะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปของที่ซื้อมามันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเหมือนตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ๆก็เลยต้องไปซื้อของใหม่มาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินทองพอที่จะไปซื้อได้ ตอนนั้นก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่แหละคือความสุขทางทา ง, าทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิน่นรถทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นความสุขที่คุกเข้าไปด้วยความทุกข์เป็นความสุขที่ชั่วคราวเดียวเดียวแล้วเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าขึ้นมา ถ้าไม่ได้เสพมากๆก็จะเกิดกลายเป็นคนซึมเศร้าไปได้และอาจจะทำให้คิดฆ่าตัวตายก็ได้นี่คือผลที่จะได้จากการไปหาความสุขทางราบยศจัลเสญทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะนาไปสู่ความเศร้าความเหงาความว้าเหวความซึมเศร้าและอาจจะทำให้คิดฆ่าตัวตายก็ได้ เพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขต่างๆนั้นมันจะเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะหาความสุขจากราบยศสารเสิญจากรูปเสียงกลิกก่นรสปทพระชนิดต่างๆนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะกำลังวังชาตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี้ มันจะหย่อนสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆแล้วพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการว้าเหวและอาจจะเกิดอาการไม่ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขแล้วจะอยู่ไปทำไม ก็มีคนคิดฆ่าตัวตายกันมากขึยุคที่โลกนี้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับทําให้มีคนเจริญในด้านการฆ่าตัวตายมากขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ไม่มีความเจริญทางราบยศสเสริญทางรูปเสียงกิ่นรสยังไม่ค่อยมีคนคิดฆ่าตัวตายกันเพราะเขาอยู่แบบไม่มีราบยศสเสริญได้เขาอยู่ตามมีตามเกิดได้ แต่พอมามีลาบยศสละเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาให้เสพให้สัมผัสกันก็เลยติดกันงอมแงมเหมือนการติดยาเสพติดนี่พอติดแล้วมันก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอมันไม่ได้เสพมันก็เศร้ามันก็ไม่มีความสุขมันก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าไม่ได้ไปเสพลาบยศสละเสริญสุข เหมือนสมัยโบราณส่วนใหญ่คนก็ทาหากินแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องพออยู่ไปกินอยู่กินเงินไปวันวันหนึ่งมืดค่มก่อนนอนเข้านอนกันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรอยากจะมีดนตรีก็หาขลุ่ยมาเป่าฟังเองคนเดียวหรือผิวปากไปอันนี้เขาก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เวลาที่ร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะ หาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรถผลถพ่วชนิดต่างๆได้ยิ่งเจริญทางด้านราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิ่นรสมากเท่าไหร่จำนวนคนที่จะคิดฆ่าตัวตายนี้จะมีมากขึ้นไปนเรื่อยๆไม่เชื่อลองลองลองไปดูประเทศไหนที่มีความเจริญ GDP สูงมีรายได้สูงมีเศรษฐีมากมีความมาั่งคั่งมากเนี่ย ไปดูปริมาณคนฆ่าตัวตายจะมีมากมากกว่าประเทศที่ยากจนประเทศที่ยากจนไม่รู้จะไปฆ่าตัวตายทำไมมันก็มันไม่อยากจะตายจะได้ทำไปอยากจะดิ้นรนเพื่อให้ได้อยู่กันแต่พวกที่ร่ารวยนี่พอไม่สามารถหาความสุขจากความร่ำรวยของตนเองได้ก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรก็รอยากจะฆ่าตัวตายกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือภัย ของการที่เราไปหลงกับการหาความสุขทางทางร่างกายไม่มาหาความสุขทางใจกันถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้เลยว่ามีความสุขเอกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพภชนิดต่างๆเราจะไม่รู้แล้วเราก็จะ หลงไปกับการหาความสุขทางราบยศสรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสจนในที่สุดก็จะพาให้เราไปสู่อาการซึมเศร้าอาการว้าเหว่ต่อไปในภายหน้าเพราะเมื่อเราแก่ลงแก่ลงนี่การที่จะไปไหนมาไหนไปหาความสุขต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วพอไปเจอโรคร้ายโรคชนิดที่ไม่ตายแต่ก็โรคที่ ที่ไม่ไม่ตายทันทีโรคที่ตายชา้านี่มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางใะทางใจเป็นอย่างมากเกิดอาการซึมเศร้าจนกระทั่งไม่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุนี่ตอนนี้เขาเริ่มมีออกกฎหมายอนุ ญ, ญาตให้ฆ่าตัวตายได้ให้แพทย์ช่วยคนที่อยากจะตายได้ ยี่ยาให้เขาเพื่อให้เขาตายคิดว่าเป็นการให้ความสุขกับเขาช่วยบรรเทาความทุกข์กับเขาแต่ความจริงมันก็เป็นความเป็นความบรรเทาชั่วชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเบื้องเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเพราะปัญหาต้นปัญหาที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจนี้มันไม่ได้ได้รับการกาจัดนั่นเอง เพราะสิ่งที่เป็นต้นทุกข์ของความของความทุกข์ใจก็คือความอยากความหิวโหยในการหาความสุขทางโลกนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวปัญหาการ่างกายตายไปไม่ได้ไปแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความซึมเศร้าสร้างความอยากอยากตายนี้ก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่จะต้องแก้ด้วยกายมา สร้างพระในใจให้ได้นั่นเองต้องสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาให้ได้เป็นวิธีทางที่จะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรถ้าไปแก้ด้วยการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็น ก, การแก้ปัญหาระยะยาวอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองและกลับไปสร้างปัญหาให้มีมากขึ้นจีเพราะจะทำให้หลงไปกับการแก้ปัญหาแบบนี้ ต่อไปเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาหาความสุขทางโลกกันใหม่แล้วพอเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายกันอันนี้มันก็จะติดในวงจรอุบาท<ม>ก่อนมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องฆ่าตัวตายกัน<ม>เห็นไหมบางคนนี้บางทียังไม่ทันแก่เลยก็ฆ่าตัวตายกัน<ม>เด็กบางคนนี้มีอาการซึมเศร้าขึ้นมามีอาการเศร้าหมองขึ้นมา อันนี้มันติดมาจากชาติก่อนมันเป็นนิสัยเดิมของเขาเขาเคอยแก้ปัญหาความเศร้าความเศร้าหมองความซึมเศร้าของเขาด้วยการฆ่าตัวตายพอมาเกิดชาตินี้เขาก็มาแก้ปัญหาแบบเดิมๆมันก็จะติดอยู่ในวงจรนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าที่จะได้มาเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขนั่นเอง อย่าไปหาความสุขทางโลกทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขจากราบยศสารเสริญนี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์สู่ความซึมเศร้าสู่ความฆ่าตัวตายไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นให้มาหาความสุขจากการมาสร้างพระอริยบุคคลขึ้นภายในใจ อพอภะริยาบุคคล น, นี้จะไม่หิวโหยกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทะพะเป็นเหมือนคนที่ไม่ติดยาเสพติดคนที่ยังเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสยังเสพความสุขของลาบยศสรรเสริญอยู่นี่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดนี้เป็นคนที่ทรมานทุกทรมานมากกว่าคนที่ไม่ติดยาเสพติด เพรานเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขทางโลกกันยุติการหาความสุขทางโลกกันแล้วมาหาความสุขทางธรรมกันมาสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาภายในใจให้ได้เพราะถ้าเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไป ถ้าเรายังหาอยู่เราก็จะต้องเจอความทุกข์ไม่ช้าก็เลยอย่างแน่นอนเพราะปัจจัยที่จะทําให้เราหาความสุขต่างๆนี้มันจะต้องเสื่อมไปหมดไปพอมันเสื่อมมันไปเสื่อมไปหมดไปมันก็จะทําให้เราไม่สามารถหาความสุขได้พอเราไม่มีความสุขเราก็จะมีแต่ความเสื่อมเศร้ามีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายกัน นี่นหะคือทําไมเราจึงจะต้องการที่จะเป็นพระอริยบุคคลกันนี่คือสาเหตุให้เราเห็นว่าถ้าเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วนี้เราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปตามลําดับจนสิ้นสุดลงจิตใจของเราจะเบิกบานจะผ่องใสจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับของการปฏิบัติเรื่องของความ เ้ามองเรื่องของคําว่าเหวเรื่องของความทุกข์ใจต่างๆนี้มันจะหายไปหมดถ้าเราสามารถปฏิบัติถึงขั้นที่สูงสุดได้แล้วเราจะไม่ต้องมาติดอยู่ในวงจรอุบาทด้วยการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายนี้ฆ่าตัวตายได้ทุกอายุนะไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องไปคนแก่เท่านั้นเอง หรือคนเจ็บเท่นั้นเองอย่ยุคนี้บางทีเสียใจแรงมากๆ ก, ก็ฆ่าตัวตายได้เนี่ยสอบเอนทานเนี่ยคอยดูเถิเดี๋ยวไม่ติดขึ้นมาก็จะมีขา่างนั้นเนี่ยคิดฆ่าตัวตายกันเสียใจน้อยใจผิดหวังเพราะไปหวังกับการสอบเข้าเอนทานมากจนเกินไปคิดว่าความสุขของตนชีวิตของตนนี้ขึ้นอยู่กับการได้สอบเข้าเอนทาน พอไม่ได้เดี๋ยวไปได้ยินข่าวค่อยดูต้องมีเด็กฆ่าตัวตายกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นนิสัยของเขาเวลาที่เขาเศร้าโศกเสียใจแล้วเขาไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ความเศร้าโศกเสียใจของเขาได้เขาก็คิดว่าวิธีเดียวที่เขาเคยใช้ก็คือการฆ่าตัวตายเขาก็จะฆ่าตัวตายกันนี่แหละคือปัญหาของการฆ่าตัวตาย อยู่ที่ความผิดหวังอยู่ที่การไปอยากได้ในสิ่งที่มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนพอไม่ได้ก็ซึมเศร้าว้าเวสอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าการเป็นพระอริยะบุคคล น, นี้ดีอย่างไง ถ้าเป็นพาลิยะบุคคล น, นี้จะไม่เจอปัญหาต่างๆแบบคนที่เจอกันปุตุชนเจอกันเพราะจะรู้จักวิธีกําจัดปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆได้เพราะพาลิยะบุคคลทุกคนนี้รู้สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยเกิดจากกิเลสตัณหาของตนเองเท่านั้นเเกิดจากความอยากต่างๆอยากได้เป็นนู่นเป็นนี่พอไม่ได้ก็ผิดหวัง ถ้าไม่ได้บ่อยๆเขาก็ซึมเศร้าพอซึมเศร้ามากๆก็คิดฆ่าตัวตายกันแทนที่จะมาแก้ปัญหาว่าเกิดจากความอยากนี่เองอยากได้นดู่นได้นี่มันก็เลยไม่พอไม่ได้ก็เศร้าก็อยากไปอยากมันเท่านั้นเองเวลาที่เราไม่อยากได้ลายนี้เราจะรู้สึกเสียใจไหมอย่างตอนนี้เด็กเขาไปอยากได้อยากสอบเอนท่านกันนี่เราไม่ได้อยากสอบกับเขาไม่อยากจะเข้ามหาลัย เราจะไปมีความเสียใจไหมมีความผิดหวังไหมไม่มีหรอกเราไม่ได้เข้าเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากจะไปเข้ามาหาหลัยแต่เด็กๆที่ถูกสั่งถูกสอนมาว่าจะต้องเข้ามาหาหลัยให้ได้นี่มันก็ทำให้ใจเขานี่ผูกมัดอยู่กับการที่จะต้องสอบให้ผ่านให้เข้ามาหาหลัยให้ได้พอเข้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความน้อยอกน้อยใจ มาโทษตัวเองว่าไม่เป็นคนไม่เก่งบ้างไม่ฉลาดบ้างอะไรโง่บ้างคิดไปสารพัดสารเพยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เศร้าใจทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มาหามาหากัน สร้างพระมาสร้างพระให้กับใจของเราการสร้างพระนี่แหละเป็นวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจทั้งหมดได้เพราะว่าการจะเป็นพระอริยบุคคลได้ก็เพราะว่าเราสามารถที่จะกาจัดความอยากต่างๆกิเลสตัณหาความโลภความอยากความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นั่นเอง พอใจของเราไม่มีกิเลสตัณหาแล้วไม่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นได้เหมือนกับร่างกายถ้าไม่มีเชื้อโรคมันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเช่นเชื้อโควิดนี้ถ้าไม่ติดเชื้อโควิดมันก็ไม่มีไข้แต่ถ้ามีเชื้อโควิดมันก็ต้องเป็นไข้มันเป็นเรื่องของตักกะเรื่องของเหตุของผลอัในใดถ้าใจเราไม่มีความอยากใจเราจะไม่มีความทุกข์ ถ้าใจเรามีความอยากใจของเราจะมีความทุกข์ความอยากที่พูดถึงก็คือความอยากได้ลาบยศสรเสริญความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เป็นความอยากที่ทำให้เราทุกข์ใจกันทุกวันนี้พออยากจะได้นู่นได้นี่อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะกินนูน่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจกัน ถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเสียอย่างมันไม่ทุกข์หรอกอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันเราไปหลงทําตามความอยากจนกระทั่งมันเป็นนิสัยที่แก้ยากพอเป็นอะไรเป็นนิสัยแล้วมันฝืนยากฝืนได้แต่ต้องใช้ความพยายามและจะต้องใช้การต่อสู้และจะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่ต่อสู้กับความอยากของตัวเอง แต่ถ้าเราสามารถเอาชนะความอยากได้แล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นจะสบายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้มันจะหายไปหมดเลย น, นี่คือความจริงที่พระอริยบุคคลทุกระดับจะเข้าถึงกันที่เราเรียกว่าอริยสัจสีนี่อริยสัจสีก็คือความทุกข์ใจเป็น เป็นความจริงข้อที่หนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีกันข้อที่หนึ่งคือพวกเราทุกคนนี้มีความทุกข์ใจกันทั้งนั้นและเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราก็เกิดจากความอยากต่างๆนี้ความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจหรือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนายกอยากเข้ามาหาลัยพอไม่ได้เข้าก็ทุกข์กัน แล้วก็ความอยากไม่ไม่เป็นคือความอยากไม่ไม่แก่บ้างไม่เจ็บบ้างไม่ยากจนบ้างไม่ขี้เล่บ้างอะไรทํานองนี้ความอยากที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการความอยากในสิ่งที่เราไม่ต้องการพอเราไปได้มันมามันก็จะทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราเราเราศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเราก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ มันเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราไปอยากไม่ได้เวลาอยากให้มันตกมันก็ไม่ตกก็มีเวลาอยากเวลามันตกอยากจะให้มันหยุดมันไม่หยุดก็มีเราต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เราอยากตันก็คือราบยศเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ไปคว้ามาไม่ได้ตามที่เราต้องการบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ดไ น, นี่แปลว่าอนิจจังไ ม, ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากได้ เฉยๆเสียได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีปล่อยให้มันมาเองดีกว่าอย่าไปวิ่งหามันอย่าวิ่งไปไล่มันพอพอไล่แล้วมันเหนื่อยแล้วถ้าไม่ได้ก็จะผิดหวัง ถ, ถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็จะผิดหวังถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอยู่ตามมีตามเกิดดีที่สุดอยู่ตามมีตามเกิดนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสุขเนะี่ มันจะมีความสุขเพราะว่ามันจะเป็นความสุขที่เกิดจากการไม่ไม่มีทุกข์นั่นเองเวลาไม่มีทุกข์นี้ใจของเราก็สบายแล้วใช่ไหมเช่นตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ใจของเราตอนนี้ไม่มีความทุกข์ใจเพราะตอนนี้ไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมามันก็เลยทำให้เราอยู่แบบสบายสบายถึงแม้ไม่ไม่ได้มีความอยากไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่ทุกข์กันเพราะเราไม่มีความอยาก พยายามทำใจของเราให้ไม่มีความอยากทุกขณะให้ได้เถอะพอมีความอยากก็ต้องใช้ความเป็นจริงคืออริยสัจสี่ข้อที่ 4, ทสี่ที่ท่านสอนให้เรามองโลกให้เห็นว่าเป็นโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้เช่นลาบยศสารเสริญสุขนี่มันเป็นของที่ไม่แน่นอน เหมือนการแทงหวยอ่ะแทงหวยบางทีแทงแล้วก็บางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกอย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจกับการแทงหวยเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าโอกาสที่มันจะไม่ถูกนี้มันมีมากกว่าโอกาสที่ถูกเราก็เลยไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ถึงแม้เราจะอยากถูกแต่เราก็รู้ว่าโอกาสที่มันจะถูกนี่มันยากมากก็เลยไม่ค่อยไปไปหวังอะไรมากจนเกินไป อาจจะเสียใจนิดหน่อยวันที่หวยออกแล้วผิดหวังเดี๋ยววันสองวันก็ลืมนะนเดี๋ยวก็หายลนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราก็เลยไม่ได้ไปผูกความหวังไว้กับสิ่งนั้นมากจนเกินไปเรามีเผื่อไว้เรามีใจเผื่อคิดเอาไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ถูกนะอนโอกาสที่จะไม่ถูกมากกว่าถูก เราก็เลยไม่ได้ไปผูกใจของเราให้พว่าจะต้องได้แต่กับบางสิ่งบางอย่างนี่เราไปผูกไว้มากจนเกินไปเช่นกับคนบางคนนี่เราไปผูกเขาว่าเขาจะต้องรักเราซื่อสัตย์กับเราอยู่กับเรานี่บางทีไปผูกมากไว้จนเกินไปจนเรื่มความเป็นจริงว่าเขาก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนได้บางทีเขาอาจจะถูกอํานาจของกิเลสของเขา เดึนให้เขาไปทำในสิ่งที่ไม่เขาไม่ควรทำก็ได้พอเขาไปทำในสิ่งที่เราผิดทำให้เราผิดหวังเราก็จะเศร้าโศกเสียใจบางทีเศร้าโศกเสียใจมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายก็มีถ้าไม่ค่าตัวตายก็ไปฆ่าเขาบางทีก็โกรธแค้นเขามากฆ่าเขาแล้วแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองก็มีมีข่าวอยู่เรื่อยๆเวลาที่คู่รักกันนี้เกิดความผิดหวังในตัวขอ ง, ของคู่รักนี้ ก็โกรธแค้นขึ้นมาทำใจไม่ได้ก็ฆ่าคู่รักของตนเองเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายไปหนีโทษของการที่ไปฆ่าผู้อันนี้ก็เพราะว่าไม่มองไม่เห็นอ น, นิจจังมองไม่เห็นว่าไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่คู่รักของเรานี้ก็ไม่แน่นอนเขาจะเปลี่ยนไปก็ได้เขาจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องคิดเหมือนกับเราเวลาที่เราแทงลอตเตอรี่แล้วเราจะไม่ค่อยเสียใจ คิดว่าเออบางทีเขาก็อาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้นะบางทีเขาไปชอบคนอื่นเขาเห็นคนอื่นดีกับเราก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาพิกลพิการไปหรือว่าตายไปอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มองความจริงของโลกนี้ให้เห็นนี่คือสัจธรรมข้อที่สี่คือการมองโลกในในในความเป็นจริงเราเรียกว่ามรคคือมองด้วยปัญญามองว่าโลกนี้มันเป็น ตายลักเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นธรมนกก ร, ธรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเร า, าเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปผูกความอยากของเราไว้กับดินฟ้าอากาศนั่นเองเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปผูกไว้เราจะต้องผิดหวังเราไม่สามารถที่จะไปสั่งดินฟ้าอากาศได้ฉัในใดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศ ส, สระเริญ เมื่อว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลาทั้งหลายนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางนั้นเพียงแต่เรามองไม่เรามองไม่เป็นไม่มีใครสอนให้เรามองแบบนั้นเราคิดว่ามันเป็นของตายตัวเป็นของที่เราจะสามารถคว้ามับได้ต้องการอะไรก็หยิบมาได้เอามาใช้ได้แต่มันก็มีเวลาที่เราอยากได้แล้วไม่ได้ก็มีหรือเวลาที่เราได้มาแล้วเราเสียไปก็มี สาเหตุที่ทําให้คนเราทุกข์กันก็เพราะว่ามองไม่เห็นอ น, นิจจังกันมองไม่เห็นความแม่แน่นอนมองไม่เห็นว่ามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไปยึดไปติดไปคิดว่ามันเป็นของถ า, ถาวรเป็นของที่เราจะสามารถครอบครองรักษ า, าไว้ให้เป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้เสมอไ ด, ได้ตลอดเวลาพอมันเปลี่ยนไปความสุขที่มันเคยให้เรามันก็กลายเป็นความทุกข์ไป เราก็ร้องโหย่้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอันนี้พระริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันนี้จะเข้าใจปัญหาของความทุกข์ใจกันทุกคนท่านจะรู้ว่าความทุกข์ใจของท่านนี้เกิดจากความอยากต่างๆและวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจให้หมดไปก็คือต้องเห็นเห็นสิ่งต่างๆที่ตนเองไปอยากได้ว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ถ้าไปอยากแล้วไม่ได้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆอยู่ตามมีตามเกิดให้เขามาหาเราเองดีกว่าเราไม่ต้องไปหาเขาถ้าเขามาก็ดีไม่มาก็อยู่กับการไม่มีดีที่สุดอยู่ได้การไม่มีอะไรนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่การมีความอยากเท่านี้พอมีความอยากแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะประดังเข้ามาเลยเนืๆ แล้วถ้าไปแก้ปัญหาความทุกข์ด้วยการไปหารากยศสารเสริญสุขมาแก้ยิ่งแก้ก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งลงลึกไปใหญ่เนีเพราะว่ายิ่งแก้ยิ่งไปาอาศัยรากยศสารเสริญสุขมาแก้ความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะสิ่งที่เราเอามาแก้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นต้นเหตุเป็นตัวที่จะทํำให้ใจของเราทุกข์มากขึ้นไปวิธีที่จะแก้ก็กคือต้องลดให้หมด ลดราบยศสรรเสริญออกไปอย่าไปอยากได้เหมือนลดความอยากให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีราบยศสรรเสริญสุขขอให้ร่างกายเรามีแค่ปัจจัยสี่พอกินไปวันๆหนึ่งก็พอส่วนใจเรานี้ขอให้เรามีปัญญาท่านนั้นเองมองให้เห็นตายรักแล้วก็มีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากเวลาที่มันอยากจะไปได้สิ่งที่เป็นตายรักษก็หยุดมันด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยอุเบกขา ถ้าเรามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิเราก็จะสามารถแก้ปัญหาคือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกต่อไปเพราะตัวที่มาทำให้เรามาสร้างปัญหามาเจอปัญหากันก็คือความอยากต่างๆถ้าความอยากในใจเรายังไม่หมดเดี๋ยวชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่ พระอริยบุคคลนี้ท่านตัดความอยากลงไปเรื่อยๆพระโสดาบางนี้ตัดไปจนกระทั่งเหลือแค่อย่างมากเพียงเจกรรมะเจ็ดกรรมะเกิดใหม่อีกไม่เกินเจครั้งเท่านั้นเองส่วนพระสกิราคาก็ตัดลงไปให้เหลือเพียงครั้งเดียวที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาหาลาบยศเสรรสุขพระนาคามีนี้ตัดหมดเลยความสุขทางร่างกายนี้ไม่ต้องการเลยลาบยศเสรรสริญ สุขทางตาหูจมูกนิ้นการนี้ตัดได้หมดเลยก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ท่านยังไปติดกับความสุขที่เกิดจากการเข้าสมาธิอยู่ท่านก็ต้องไปแก้ตัวนี้ต่อไปต้องไปตัดความสุขความอยากได้สมาธิเพราะจะมีความสุขที่เหนือกว่าของสมาธิรออยู่แต่ต้องปล่อยความสุขทางสมาธิให้ได้ก่อน ถ้าปล่อยสมาธิไม่ได้ก็จะเข้าถึงความสุขคือพระนิพพานไม่ได้นั่นเองในที่สุดท่านก็เข้าใจหลักนี้พอถึงจุดนั้นแล้วท่านก็จะไม่พึ่งสมาธิความสุขอีกต่อไปท่านก็จะเข้าสู่พระนิพพา น, านเพราะใจของท่านตัดความอยากต่างๆทั้งหลายจนหมดสิ้นไปใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระที่สูงสุดคือพระอหรหันต์พระอรหันต์นี้ก็จะเป็น เมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี้มีสองสองชนิดด้วยกันพระอรหันต์ตระสมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองไม่มีใครสอนสอนด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอาจารย์สอนให้เป็นพระอรหันต์ได้ท่านก็เลยต้องสอนตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์อีกพวกหนึ่งนี่เรียกวพระอรหันต์ตสาวก พวนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มาเรียนจากพระพุทธเจ้าพอเรียนจบบรรลุเป็นพระอารหันต์ก็เรียกว่าเป็นพระอารหรันตสาวกแต่ความเป็นพระอารหันต์นี้เท่ากันคือใจถึงพนันธิพันธ์เหมือนกันมีบาร ม, มีสุขเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาสร้างกันในวันพระก็คือมาสร้างพระในใจของพวกเรา ทำใจของพวกเราที่ตอนนี้เป็นปุถุชนให้กลายเป็นพระขึ้นมาตามลำดับด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราก็จะได้กลายเป็นพระอริยบุคคลอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมิวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปฏิอ oh ิชิตังปะิตังตุมหังค um ิดวเมวาสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอะราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตะวันตรายอสุขีติคายุโกภวะ อาพิวาทนสีบิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมะวะทานติอายุวันโสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถามเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทําต่อก็เลยไม่สะดวกที่จะตอบคําถามอยากจะถามอะไรถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อบความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ได้แล้วทางทีมงานจะนํามามานให้ท่านตอบให้ท่านฟัง อันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ459ย t u b บพระสุชาติไลฟ์273ย o u t u b e d กเต o ร์วีชานโอ90วิทยุออนไลน์10 c l ับ h ฮ u ส e 14ผู้รับฟังที่หน้ากุฏิ72คนรวมทั้งหมด918ครับ ถ้ามีคำถามก็เอามาถามได้เลยคำถามจากคุณยูนิตี้มีสองคำถามครับคำถามแรกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็จากความสนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ไม่อยากจะเป็นก็เลยหาทางดูว่าทำยังไงจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ในที่สุดก็พบทางที่เรียกว่ามรรคแปดสามสารถทำให้พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำถามที่สองสัญญาอนิจจังทุกขังและอนัตตาดังนั้นสัญญาทุกชนิดทั้งวิปลาชและถูกต้องเป็นสัพเพ ธ, ธรรมา อ, อนัตตาติใช่ไหมครับ ทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคำถามต่อไปจากพระสุริยามีสองคำถามเช่นกันครับคำถามแรกมีโยมคนหนึ่งถามผมมาว่าอารมณ์ปรมัติคืออะไรผมตอบไม่ได้ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับก็อารมณ์ที่ไม่มีความทุกข์ที่ถาวรเป็นความทุกข์ ความที่ความุดทนจากความทุกข์ที่ถาวนเรียกว่าปารมัต a ธรรม m คำถามที่สองอาหารที่โยมถวายเป็นสังฆทานเมื่อพระฉันแล้วเอาไปให้โยมทานต่อพระกับโยมจะเป็นบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกเป็นของพระเวลาโยมถวายของให้พระแล้วพระก็เอามาแบ่งกับพระด้วยกันก่อน เอาแบ่งกันเสร็จแล้วที่เหลือก็ให้ใครก็ได้คำถามต่อไปจากคุณนัตตี้การเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันต้องตัดสังโยชน์สามได้ลูกไม่เข้าใจว่าจะต้องวางอารมณ์ใจอย่างไรครับก็ให้ไปตัดที่ร่างกายนี่ไงอย่าไปกลัวความแก่อย่าไปกลัวความเจ็บอย่าไปกลัวความตาย อย่าไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคือวิธีปล่อยวางร่างกายตัดสังโยะก็สังโยะที่มาผูกติดกับร่างกายนี้อยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะทุกข์ขึ้นมาพอตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือสังโยะที่ตัด คำถามจากคุณตู่ถ้าเรารักษาศินและมีเพื่อนมายืมเงินหรือของที่เรามีแต่เราบอกเขาว่าไม่มีเพราะเป็นเพื่อนที่เราไม่อยากข้องเกี่ยวด้วยเป็นคนที่ชอบเปียดเบียนมายืมแล้วไม่เคยคืนเจ้าค่ะเขาไม่ลําบากเราจะผิดศินข้อสีมากไหมค ะ, ะถ้าเรามีแล้วบอกไม่มีมันผิดไหมผิดก็บอกมีแต่ไม่ให้ยืมก็เท่านั้นไม่กลัวอะไร บอกคุณยืมแล้วไม่คืนอยู่อ่ะเ mm hmm. ป็นไรไม่ให้ยืมถ้าอยากจะยืมก็เอาเอาหลักประกันมาสิเอาโฉนดที่ดินมาเอารถยนต์มาฝากไว้ก็ได้ mm hmm. อย่างนี้จะได้มีอะไรประกันว่าเออต้องมาต้องมาคืนอย่างแน่นอน mm hmm. พูดไปแบบนักธุรกิจเนี่ยธนาคารเขาก็มีคนไปยืมเงินธนาคารเยอะแยะธนาคารก็บอกมีใช้ก็มีเงินให้ยืม mm hmm. แต่คุณมีหลักทรัพย์มาประกันหรือเปล่า mm hmm. ถ้าคุณมีหลักทรัพคุณก็เอาไป mm hmm. ไม่ต้องเกรงใจคนที่มายืมเงินเราเราต้องถือว่าเป็นธุรกิจเข้าใจไหมต้อ hmm. งทาเป็นธุรกิจคุณอยากจะยืมเงินเราคุณมีหลักอะไรประกันว่าคุณจะมาเอาเงินมาคืนเราหรือเปล่า mm hmm. ถ้าไม่มีมีแต่คําพูดถ้าไม่เชื่อหรอกคาพูดใครๆก็พูดได้ mm hmm. พูดความจริงไปเลยไปเกรงใจกันทําไมถ้าเขาไม่เกรงใจที่เรามายืมเงินเรานี่สแสดงว่าเขาไม่เกรงใจเราแล้วะแล้วยังไปเกรงใจเขาทําไมใช่ไหม คำถามต่อไปจากคุณโอโยมมีอาชีพในการปั้นดอกไม้ขายเช่นดอกบัวขึ้นหิ้งพระปั้นได้หลายอย่างส่วนตัวโยมนับถือในคุณพระรัตนไตรยัยแต่มีลูกค้ามาสั่งให้ปั้นไปไหวพญานาคหรือสิ่งต่างๆตามความเชื่อของเขาหากเรารับงานก็เหมือนเป็นการส่งเสริมแล้วเราจะผิดต่อตอนเองไหมเจ้าคะให้ผิดหรอเร า, เรา เราก็ปั้นของที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางด้วยกันเช่นคนขายมีดนี่เขาก็ขายมีดคนซื้อมีดก็อยู่ที่เขาจะไปใช้อย่างไรเอาไปหั่นผักอ่นเนื้อก็ได้เอาไปทิ่มแทงตัวเขาเองก็ทิ่มแทงคนอื่นก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่คนขายผิดมันอยู่ที่คนใช้ต่างหากที่ผิดเองไม่ได้ส่งเสริมเราส่งเสริมสิ่งที่ดีให้เเอาไปบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็นบูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างนี้ทำแต่เขาจะเอาไปบูชาสิ่งอื่นที่เขานับถือก็เรื่องของเขามันไม่ไมัเนเป็นเรื่องของของเขาเองไม่ใช่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเป็นของที่ทํําจาเฉพาะเจาะจงว่าทํานี้แล้วจะต้องเอาไปบูชาพญานาคอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่าทําแต่ถ้าของที่ทําแล้วเอาไปบูชาอย่างคนอื่นได้บูชาพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน คำถามจากคุณป๋อมแปมได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอยากไปปฏิบัติธรรมสามารถไปปฏิบัติได้ที่ไหนบ้างเจ้าค่ะติดต่อทางทีมงา น, นส่งข้อความเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะจะจะให้ข้อมูลไปส่งเข้ามาทางเพจนี้ก็ได้นะใช่ไหมมาทางเพจใช่ไหมครับคำถามจากคุณวี พระโสดาบันถ้าปฏิบัติย่อหย่อนสามารถลดระดับลงมาได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกมิถ้าย่อหย่อนก็แสดงว่าขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้แนั้นเองที่ได้มาแล้วนี่จะไม่มีลงไปลงต่ําไปมีแต่จะขึ้นสูงอย่างเดียวเนีย่ยจะช้ารเร็วก็อยู่ตรงเนี่ยถ้าย่อหย่อนมันก็ช้าหน่อยถ้าไม่ย่อหย่อนปฏิบัติเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไปเร็ว คำถามต่อไปจากคุณจังถ้าเรานั่งสมาธิแต่ไม่สามารถทำจิตให้นิ่งได้เลยและไปไม่ถึงชานสี่เราจะได้บุญไหมครับยังไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญก็คือความสงบของใจความสุขใจต้องฝึกสติให้มากสติเอาน้อยถ้าเป็นน้อยก็เติมน้ามันน้อยมันก็เลยวิ่งไปได้แค่ครึ่งทางมันก็จบไปไม่ถึงนั่นต้องเติมน้มันให้เต็มถัง ต้องเจริญสติให้ให้เต็มร้อยให้มีสติตลอดทั้งวันทั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดเื่อยไม่คิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่กับร่างกายของเราอยู่กับการเคลื่อนไหวท้ารู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าปล่อยให้คิดฟุง้งซ่านถ้าทำได้แล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้เข้าฌานได้คาถามต่อไปจากคุณปราติน ชาตินิยมเกิดเป็นผู้หญิงชาติหน้าขอเป็นผู้ชายเพราะอยากบวชสายวัดป่าหลวงตามหาบัวได้ไหมเจ้าคะตอนี้ก็บวชได้ผู้หญิงก็บวชได้บวชชีมีแม่ชีสายวัดป่านี้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่อยู่ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอยู่ที่มีอิทธิบาทสี่หรือเปล่ามีฉันมีฉันทาวิรยิยะจิตตะวิมังสาวหรือเปล่าถ้ามีถ้ามีความยิน ด, ดีแก่กล้า ก็สามารถที่ยวทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติได้ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเหมือนผู้ชายเสมอไปผู้หญิงก็ปฏิบัติได้แต่อาจจะอยู่ในที่ที่อาจจะปลอดภัยหน่อยไม่ต้องไปเสี่ยงภัยเหมือนกับของผู้ชายแต่ก็กิเลสก็ฆ่ามันได้ทุกสถานที่ คำถามต่อไปจากคุณแบมแบมเคยนั่งสมาธิแลรู้ขึ้นมาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นอากาศธาตุกับผู้รู้เคยเป็นแค่ครั้งเดียวครับอาการแบบนี้คืออะไรครับก็คือรู้อย่างนั้นจะถามมันรู้อะไรก็รู้รู้มันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะ่ยเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเงั้นทางนี้มันเป็นของว่างเห ม, มือนเป็นอากาศเป็นความว่าง คำถามจากคุณกูตเดพุดโทโธแล้วหลับสามารถแก้ไขได้อย่างไรครับก็ให้เดินพุทโธแทนอย่านั่งพุทโธคำถามต่อไปจากคุณสัสสิธรหากมีคนมาหาเรื่องวุ่นวายไม่หยุดไม่หย่อนพยายามคิดว่านั่นคือกรรมของเขาไม่ตบ โตบตอบใดๆแต่ก็ยิ่งทำให้เขาเดือดร้อนหาเรื่องใส่ร้ายเราอยู่เรื่อยๆและหนักขึ้นเราควรจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับก็ถ้าหลีกได้ก็หลกหลบได้ก็หลบถ้าไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องมาเจอเขาเป็นการใช้กรรมของเราไปขอให้เรานิ่งเฉยไว้ก็แล้วแต่คิดเป็นไอ้แง่บวกคิดว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วก็ยังไม่ด่าเรา เขด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าก็ดีแล้วยังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็ดีแล้วเกิดมาก็ต้องตายกันอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรวันวันหนึ่งยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมีคนมาทําให้เราตายก็ดีสบายไม่ต้องเสียเวลาไปหากินให้เหนื่อย คำถามจากคุณจรัญญาเราต้องพิจารณาปล่อยวางร่างกายนี้ว่าเป็นเพียงธาตุที่มารวมตัวกันมีการเสื่อมสลายลงเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับทําพิจารณาทุกวินาทีใช่ไหมครับได้แล้วก็ต้องไปทดสอบดูว่าปล่อยวางได้หรือเปล่าต้องเอาไปทิ้งมันไว้ในป่าให้มันให้กลับคืนสู่ธาตุเดิมให้เสือมากัดให้งูมากัดหรือให้อะไรมาทำร้ายมันถ้าเราไปทิ้งมร่างกายไว้ได้ในป่าแล้ว เราก็จะถ้าเราไม่กลัวเราเฉยเราเย็นสบาย mm hmm. ก็แสดงว่าเราปล่อยได้ครับคำถามจากทาง Facebook คุณแดงมีสองคำถามครับคำถามแรกนั่งสมาธิแรกเริ่มวางใจอย่างไรบ้างเจ้าคะให้มีสติอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทธโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อน คำถามที่สองวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เด <delighted. S 1> <Bom> ินตามปกติไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไประยะก็ประมาณสักยี่สิบห้าเก้าเป็นอย่างต่ําเดินแล้วแล้วก็มีสติอยู่การเดินก็ได้ดูที่เท้าเราว่าเรากําลังก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเดินตามธรรมดาไม่ต้องช้าไม่ต้องเดินแบบหัดเดินเดินตามปกติแล้วก็รู้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไป หมือจะเดินแล้วก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปแทนก็ได้คําถามต่อไปจากผู้ฝากถามเงินที่ป้าสะสมไว้ก่อนตายยังไม่ได้ยกให้ใครพอท่านตายไปแล้วเราเอาเงินของท่านมาทําบุญและอุทิศส่วนบุญให้กับท่านท่านจะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าคือได้ได้บุญส่วนที่เราอุทิศแต่บุญที่ได้จากการทําบุญเงินก้อนนั้นมันจะไม่ได้ ได้เพียงเซี่ยวเดียวถ้าอยากจะได้บุญทั้งก้อนทั้งร้อยต้องทำก่อนตายอย่าเสียดายความเสียดายนี่มันทำให้มันมาําทำให้เราไม่ได้ทำบุญให้คิดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ตอนนี้มีชีวิตอยู่ถ้าไม่ใช้มันก็เอาไปทำบุญไปแต่ถ้ามันยังต้องใช้อยู่ก็ก็ถือว่าเราไม่ได้ทำบุญไปเท่านั้นเองทำอย่างอื่นแทนรักษาศีลไปก็ได้นั่งสมาธิไปแทนก็ได้ ซึ่งดีกว่าการทําบุญทําทานอีกนะเพราะงั้นการทําบุญทําทานไม่ได้อยู่ที่การเสียสละอย่างเดียวอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนาด้วยแล้วได้บุญมากกว่าด้วยคําถามจากคุณปีการบริจาคโลหิตได้บุญไหมครับได้เพราะว่าเรายังไม่ตายเรารู้ว่าเราได้เสียสละของที่มีคุณมีประโยชน์กับเราให้กับคนอื่นไปทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา เนี่ยตัวสุขใจนี้ก็คือตัวบุญแต่ถ้าเราตายไปแล้วเขาเอาเลือดเราไปให้คนคนอื่นที่เราไม่รู้ล้วตอนนั้นเราก็จะไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้รับรู้ว่าเราได้เสียสละส่วนไหนของร่างกายเราไปบ้างยังถ้าอยากจะได้บุญต้องทำตอนที่เรายังไม่ตายถ้าตายไปแล้วนี่เราไม่รู้เรื่องแล้ว คำถามจากคุณนาวินศา ส, สนาพุทธกับคริสมีความเหมือนและต่างกันตรงไหนครับคนก็ต้องไปศึกษาเองาถามมาได้งไงนะถามพุทธอย่างเดียวจะตอบได้ถามต้องคิดเดี๋ยวพูดไม่ถูกเดี๋ยวก็จะโดนเขาด่าเองหมดแล้วนะโอเคนะแต่อย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัต